วันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันที่พวกเราชาวพุทธบริษัทจะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้รู้ว่าการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นกระทำเพื่ออะไรจะได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สิ่งที่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะพึงได้รับก็คือการบำบัดทุกข์การบำรุงสุขให้แก่จิตใจที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะบำบัดได้ที่ไม่สามารถจะบำรุงได้ อย่างถาวรมีเพียงพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำการบาบัดทุกข์และการบารุงสุขให้แก่จิตใจได้อย่างถาวรสิ่งต่างๆ ท, ที่คนในโลกนี้ใช้บาบัดทุกข์บสุข เป็นการบำบัดทุกข์บำรงสุขแบบชั่วคราวทางนั้น mm hmm. เวลามีความทุกข์ใจก็ไปทําอะไรกันเดี๋ยวความทุกข์ใจนั้นก็หายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวก็กลับมาใหม่อีก mm hmm. เวลาอยากจะมีความสุขกันก็ไปทําอะไรกันทําเสร็จกลับมาเดี๋ยวความสุขที่ได้ก็หมดไป ต้องคอยบำบัดทุกข์บำุงสุขอยู่เรื่อยๆไปจนถึงวันที่ไม่สามารถจะทำได้เช่นเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปชราภาพเจ็บไข้ได้ป่วยการบำบัดทุกข์บำุงสุขแบบของทางโลกก็จะไม่สามารถทำได้กันต่อไป เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่จะต้องพบกับความทุกข์เป็นส่วนใหญ่ความสุขที่จะเพิงได้รับก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้กันเพราะร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัดทุกข์บำบุงสุขนั้นไม่สามารถกระทำได้หรือเครื่องมืออย่างอื่น นอกจากร่างกายแล้วการบำบัดทุกข์บำรงสุขยังต้องใช้สิ่งอย่างอื่นเช่นใช้เงินทองอเพื่อซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเพื่อพาให้ไปทำอะไรไปดูไปฟังไปดืม่มไปรับประทานอะไรกันถ้าขาดเครื่องมือคือเงินทองก็จะไม่สามารถ ท, ที่จะ บำบัดทุกบำุงสุขได้หรือขาดบุคคล น, นั้นบุคคนนี้ไปขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไป <Yeah. S 1> การบำบัดทุกบำลงสุดก็ต้องชะ ง, งักลงไปทันที <Yeah. S 1> นี่คือวิธีการของการบำบัดทุกบำลงสุด ข, ของของโลก อ, อาศัยโลกธรรมแปด อาศัยโลกธรรมเป็นเครื่องมือในการบำบัดทุกข์กันบำบุดสุขกันคืออาศัยราบอาศัยยศอาศัยสรรเสริญและอาศัยความสุขที่จะได้จากการเสกรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏพะชนิดต่างๆแต่ราบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นสิ่งที่ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวามีเจริญแล้วก็มีเสื่อมได้เช่นเจริญลาบ ก, ก็มีเสื่อมลาบเจริญยศก็มีเสื่อมยศเจริญสรรเสริญก็มีนินทาเจริญสุขก็มีทุกข์เข้ามาแทนที่นี่คือธรรมชาติของ เครื่องมือที่คนในโลกนี้ใช้ในการบําบัดทุกข์บำรงสุขกันจึงไม่สามารถบําบัดทุกข์ได้อย่างแท้จริงอย่างถาวรไม่สามารถบํารุงสุขให้ได้อย่างแท้จริงอย่างถาวรได้เป็นแบบพักๆไปชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต้องเริ่มกันใหม่ บางบัด ท, ทุกข์บางงสุขปัันนี้สําเร็จอ่านไปวันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเจอทุกข์กันใหม่ต้องหาความสุขกันใหม่ก็เป็นเหมือนวิ่งตะคุกเงาว <c oughs> ิ่งไปเท่าไหร่ตะคุกเงาไปเท่าไหร่มันก็ทอดหนีเรามันก็หนีเราไปเท่านั้นเราอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนั้นพอเราวิ่งไปตรงที่มันอยู่ตรงนั้นพอเราเป็นตงตรงนั้นมันก็ไปอีกที่ละ มันหลอกเรานี่คือลักษณะของวิธีการบำบัดทุกข์บำบับำงสุขด้วยการใช้ลาบยศสรรเสริญใช้รูปเสียงกลิ่นลดผลธรระและก็ใช้ร่างก <Yeah. S 1> ายต่อไปของพวกนี้มันจะต้องมีวันเสือ่อมมีวันหมดล <Yeah. S 1> าบยศสรรเสริญสุขก็มีเจริญแล้วก็มีเสือ่อม ร่างกายมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็ต้องมีตาย mm hmm. วิธีบำบัดทุกบำรงสุขแบบนี้จึงไม่ใช่เป็นวิธี mm hmm. ที่ถูกต้องที่ถาวร mm hmm. ถ้าดับไฟก็ดับไม่ไม่หมดสักทีดับตรงนี้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ลุกขึ้นมาใหม่ mm hmm. ดับกันอยู่มาตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายก็ดับไม่หมดน ความทุกข์ใจนี้มันไม่หมดเพราะวิธีการดับทุกข์นี้ไม่ได้ดับที่วิธีที่ถูกต้องไม่ได้ดับที่สาเหตุของความทุกข์สาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์สาเหตุที่ทำให้ใจไม่สุขอยู่ที่การกระทำของใจเองการกระทาของใจแล้วก็สั่งไปที่ร่างกายและวาจา เราสรุปลงอยู่ที่สามตัวนี้เป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดสุขมีเกิดทุกข์ขึ้นมาภายในใจทั้งสามตัวนี้การกระทำทั้งสามตัวนี้เราพูดเราเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทาการกระทำทางวะทางทางใจเรียกว่ามโนกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวาจีกกรรม การกระทาทางร่างกายเรียกว่ากายกรรมการกระทาทั้งสามนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์หรือเกิดสุขขึ้นมาหรือทำให้ทุกข์หมดไปก็อยู่ที่การกระทาของทั้งสามส่วนนี้นี่แหละเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงนำเอามาสั่งสอนชาวพุทธเรา ให้เรามาควบคุมการกระทําต่างๆคือให้หยุดการกระทําที่สร้างความทุกข์แล้วก็ให้ทาการกระทําที่สร้างความสุขไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินทองเข้าของไม่ต้องมีลาบยศสารเสริญ ไม่ต้องมีเลือกเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆมากําจัดความทุกข์ภายในใจมาสร้างความสุขภายในใจให้แก่พวกเราแล้วก็จะเป็นวิธีที่จะดับทุกข์ได้อย่างถาวรเป็นวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจได้อย่างถาวรให้อยู่กับใจไปตลอดนี่แหละคือ การตัดสร้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้วิธีของทางโลกบำบัดทุกข์บำงุงสุขทรงเป็นพระราชกุมารเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินสมัยนี้เราก็เรียกว่าพระาราชโอรสก็สามารถที่จะมีลาบยศสรรเสริญ มีความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสโผฏพะชนิดต่างๆได้อย่างตลอดเวลาแต่วันหนึ่งทรงไปเห็นความจริงของร่างกายของพะองค์ทรงเห็นว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขนี้จะมีปัญหาต่อไปจะต้องกายเป็นคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ต้องเป็นคนตายไปในที่สุดแล้วการบำบัดทุกข์บำบึงสุขที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็ต้องหยุดชะงักไปทันทียัไม่สามารถทำได้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ถูกความทุกข์รางควานยุคลานอยู่ตลอดเวลา แทบจะหาความสุขไม่ได้ yeah. Yeah. นี่แหละคือสาเหตุที่คนคิดฆ่าตัวตาย <Yeah. S 1> เวลาไปเจอความทุกข์แล้วไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ <Yeah. S 1> หรือเครื่องมือที่เคยใช้ในการดับทุกข์นั้นไม่สามารถใช้ได้ <Yeah. S 1> เช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการ <Yeah. S 1> หรือเครื่องมืออย่างอื่น คือราบยกสรรเสริญลูกเสียงกิน่นรดนั้นเกิดการพัดพลาดจากกันไปเกิดการสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองสูญเสียตำแหน่งต่างๆสูญเสียบุคคลที่คอยสรรเสริญเยินยอคอยให้กำลังใจขาดรูปเสียงกิ่นรดจากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนงั้นสิ่งนี้มาให้ความสุข เวลานั้นก็มีแต่ความุ่มเศร้ามีความคิดที่ไม่ไดีเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมถ้าอยู่แบบนี้อยู่ไปทำไมก็เลยคิดหนะยุดชีวิตของตนเองซึ่งก็ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเช่นเดียวกันเพราะต้นเหตุของความทุกข์ใจมันอยู่ที่ใจ มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่การกระทําของใจใจไม่รู้จักทําใจของตนเองให้มีความสุขใจมัวแต่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาด้วยอํานาจของโมหะอาวิชากิเลสตัณหาต่างๆความอยากได้ความสุขจากสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เมื่อไม่สามารถ ได้ตามความอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ว่าเหตุที่ทำให้ทุกข์นี้คือความอยากนี้แล้วพอหยุดความอยากได้ความทุกข์มันก็หายไปไม่เห็นจะต้องมีอะไรเลยไม่เห็นจะต้องมีคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราความทุกข์มันเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่า การมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีบุคคลนั้นบุคคลนี้มาให้ความสุขกับเราแต่มันก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดภากจากกันอก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกราบใดถ้ายังมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ได้พัดภากจากไปแล้วไม่ได้กลับคืนมา นามนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามาหยุดความอยากได้อยู่เฉยๆได้ใจก็จะหายทุกข์ได้ <Yeah. S 1> นี่แหละคือ <Yeah. S 1> เหตุของความทุกข์นี้ <Yeah. S 1> เกิดขึ้นจากการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ <Yeah. S 1> ไม่ได้เกิดจาก การเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายความแก่ของร่างกายหรือความตายของร่างกายหรือการสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดไปถ้ามันเป็นเหตุทำให้ทุกพระพุทธเจ้าจะสุขได้อย่างไรพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติ ส, สละลาบยศสรรเสริญสุขของ ของพระราโชรถของพระเจ้าแผ่นดินไปแต่สิ่งที่พระองค์กลับได้กลับมากับเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเรียกว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมสร้างธรรมขึ้นมาภายในใจถ้ามีธรรมขึ้นมาภายในใจแล้วธรรมนี้แหละจะเป็นผู้ให้ความสุข แบบปามังสุขขังคือพระนิพพานนี้นิพพานังปามังสุขขังอันนี้เป็นธรรมขั้นสูงสุดที่ผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนรับประกันได้ว่าจะต้องได้ถึงระดับนั้นอย่างแน่นอนไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีพระพุทธเจ้าใช้เวลาเท่าไหร่ หกปีบวชหกปีด้วยกันสะละราจะสมบัติสละความสุขจากราบยศสละเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะแล้วไปอยู่แบบขอทานพระสมัยก่อนนั้นเป็นเหมือนขอทานจริงๆอยู่ตามโคนไม้กันไม่มีวัดไม่มีอะไรที่อาศัยทำที่มุงบางแบบชั่วคราว เขาเป็นพระที่ชอบทุดดงชอบเปลี่ยนที่จะไปอยู่ในป่าที่ไม่มีอะไรมารบ ก, กวนใจที่จะมาทําลายความสุขที่ได้จากความสงบของใจท่านก็เลยอยู่แบบมากน้อยสันโดษไม่ต้องการอะไรมากกว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพคือปัจจัยสี่ อาหารก็อาศัยการบินบาทขอทานขอข้าวเขากินไปวันวันเช้าก็ถือบาทเข้าไปในหมู่บ้านแล้วแต่ผู้ใดมีจิตศรัทธาเมตตาจะเป็นดูเลี้ยงขอทานก็ใส่บกใส่บาทใส่ะายไปให้ก็ได้อะไรมาก็ยินดีตามมีตามเกิดไม่เขียนเมนูฝากญาติอยู่ไว้ก่อนว่า อาตมาชอบอย่างนี้ชอบอย่างนั้นอาตมากินเจนะไม่กินเนื้อสัตว์นะอันนี้ไม่มีทำไมพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเมนูแบบนี้ท่านยินดีตามตามมีตามเกิดแล้วแต่ผู้ให้ผู้ให้สะดวกจะให้อะไรเพราะว่าผู้ให้บางทีเขาก็กินอะไรเขาก็แบ่งของที่เขากินมาให้เขากินเจเขาก็แบ่งของเจมาให้เขาไม่กินเจเขาก็ไม่ เขาก็แบ่งของที่ไม่ใช่เป็นเจมาให้เพราะเขาไม่ได้เห็นพระสมัยนั้นว่าเป็นเหมือนเห็นพระสมัยนี้สมัยนี้เราชาวพูดเห็นพระเป็นเหมือนพระเจ้าที่กับพระเจ้าแผ่นดินเนี้ยพระเจ้าแผ่นดินยังต้องกราบพระเลยแต่สมัยพระพุทธเจ้าที่บวชนั้นเขาเห็นพวกนี้เป็นเหมือนพวกฤาษีชีไพรน เขาไม่ค่อยมีศรัทธาลึกซึ้งอะไรเพราะสมัยนั้นพวกนี้เขาไม่ค่อยได้สั่งค่อยสอนหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นนั่นแหละถึงเป็นยุคที่พระสองฆ์องค์เจ้าเริ่มมีผู้เคารพนับถือโดยเห็นตัวอย่างอันดีเลิศของพระพุทธเจ้าจึงทําให้ยกย่องพระสองฆ์องค์เจ้ามาก แต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนฤาษีชีภัยรูปหนึ่งที่ชาวบ้านไม่รู้จักว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะพระองค์ก็ไม่ทรงปาถนาให้ใครรู้ว่าเป็นใครหนีออกจากวางไปเพื่อไม่ให้ทางวังรู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะกลัวเดี๋ยวจะถูกไปตามตัวกลับมักับวังได้ก็เลยต้องอยู่แบบไม่มีใครรู้จักว่าเป็นใคร อาหารก็บินทบาตเนี่ยตามมีตามเกิดจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ไปเก็บผ้าที่เขาใช้ผ้าหอ่อศพนี่ใช้ห่อศพสมัยนั้นเขาไม่เผาไม่ฝังศพกันเขาผ้าพันศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชาเพ่อให้มันเน่าเปื่อยไปพอศพที่เน่าเปื่อยไปผ้ามันก็ ไม่จำเป็นที่จะต้องห่อแล้วก็นักพวกนักบวชสมัยก่อนเขาก็ไปเก็บผ้าเหล่านี้ผ้าเหล่านี้ที่เราเรียกว่าผ้าบางสกุลที่เราแปลว่าผ้าป่าความจริงเราตกไปคำหนึ่งตกคำว่าช้าไปความจริงมันเป็นผ้าป่าช้าผ้าเก็บมาจากป่าช้าแต่เราไม่ชอบป่าช้ากันเราก็เลยตัดคาว่าช้าออกไป เลยเรียกมันสั้นๆว่าผ้าป่ากันแต่ความจริงผ้าบางสกุลนี้เป็นผ้าหอ่อศพผ้าที่เก็บมาจากป่าช้าสมัยนี้เราก็เลยมีผ้าบางสกุลเทียมคือผ้าที่เรา ไ, วไปวางไว้บนฝาศพไปบนลงศพเวลาก่อนที่จะเผาศพ ก, ก็ให้พระไปชักผ้าบางสกุลอันนี้เป็นเหมือนกัรทา ทำเรียนแบบสมัยพระพุทธการว่าพระใช้ผ้าผ้าห่อศพผ้าบางสกุแลแต่สมัยของพระพุทธเจ้านี้เป็นของจริงไม่มีผ้าแบบที่เรามีกันสมัยนี้ผ้าสำเร็จรูปไม่มีพรานี้จะต้องไปเอาผ้ามามาสะสมมาไว้แล้วก็เอามาตัดมาเย็บจน เป็นผืนใหญ่ไว้สำหรับห่มได้ไว้สำหรับนุ่งได้นี่คือการอยู่แบบผู้ที่ต้องการาบำบัดทุกบำรงสุขต้องอยู่แบบไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายเรียบง่ายยินดีตามมีตามเกิดมากน้อยสันโดษ ส่วนที่อยู่อาศัยก็พอยู่ตามโคนไม้ลุกขมูลลาเส้นาสน่งไปอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามร่มไม้มันร่มเย็นอาจจะทําเพิ่มเล็กน้อยไว้กันฝนกันแดดบางช่วงที่มันฝนตกเท่านั้นเองไม่ยุ่งยากไม่เหมือนสมัยนี้ต้องสร้างกุฏิสร้างวิหารกันสร้างอะไรกัน ต้องหาเงินหาทองอะไรกันมาวุ่นวายไปหมดเวลาที่จะมาบำบัดทุกข์บำลงสุขด้วยการปฏิบัติธรรมก็เลยไม่มีเอาเวลามามัวแต่คอยหาปัจจัยสี่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีวิตอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ดูถึงความเป็นจริงในสมัยพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ 7วันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเพราะพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาแล้วลำรับพระพุทธเจ้าเองก็หกปีนับตั้งแต่วันออกบวชจนถึงวันที่ตัดสัตว์อายุยี่สิบเก้าปีแล้วพออายุสามสิบห้าปีก็ได้ตัดสรุเพราาทำขั้นสูงสุดคือพระนิพพานขั้นที่ ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจถูกทำลายหมดสิ้นไปแล้วความสุขที่มีอยู่ในใจก็ปรากฏเพิ่มปรากฏขึ้นมาเต็มดวงของหัวใจอันนี้อยู่ที่การมาควบคุมกายวาจาใจเท่านั้นเองไม่ได้ไปหาราบยศสรรเสริญสุขจากรูปเสียงเก็บรสต่างๆเพราะการไปหาราบยศสรรเสริญสุขนี้ เท่ากับการไปหาความทุกข์กันเพราะว่าราบยศสรรเสริญสุขมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะมีวันหมดเมื่อมันหมดความสุขที่ได้จากมันก็หมดไปเมื่อความสุขหมดความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่ดงนั้นถ้าเรายังไปหาความสุขจากสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องเจอความทุกข์ วความสุขที่ได้นั้นมันเปลี่ยนไปหรือหมดไปดังนั้นการไปหาราบยศสรรเสริญสุขมาบําบัดทุกข์บำรงสุขจึงไม่ใช่เป็นวิธีการไปหาความสุขที่แท้จริงเป็นการไปหาความทุกข์มากกว่าความทุกข์ที่อําพร่างด้วยความสุขเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดปลายแบบ เหยื่อที่ติดปลายเบ็ดนี้มองไม่เห็นเหยื่อมองไม่เห็นเบ็ดเห็นแต่เหยื่อปลาก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะพอไปฮุบเหยื่อเข้าแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากครับความทุกข์ก็ตามมาฉันใดถ้ายังหาราบยกสรรเสริญสุขมาเป็นเครื่องบําบัดทุกข์บำรงสุขยอยวก็จะต้องเจอความทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลง แล้วก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆตอนหลังจากตายจากชาตินี้ไปก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่อยากจะหาลาบยศสร์เสริญสุขมาบาบัดทุกข์ที่มีอยู่ในใจต่อไปมาบำบังสุขให้แก่ใจต่อไปเมื่อมีการเกิดมันก็จะมีความทุกข์ตามามามีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายตามามาม นี่แหละเป็นวิธีที่ทางโลกหากันยึงร้องทุกข์กันทุกคนตั้งแต่ขอทานขึ้นไปจนกระทั่งถึงมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมีเรื่องที่จะต้องทำให้เขาทุกข์ใจกันทุกคนทุกจากขอทานก็ทุกจากที่ไม่มีเงินมหาเศรษฐีก็ทุกจากการที่จะต้องดูแลรักษาเงินทอง มีแล้วก็หวงก็หวงก็ทุกข์กองไม่มีก็ทุกข์เองเพราะอยากจะมีดังนั้นทางของโลกจึงไม่ใช่เป็นทางของการดับทุกข์ไม่ใช่เป็นทางของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแต่เป็นการสร้างความทุกข์เป็นการทำลายความสุขมากกว่าต้องเอาทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมา มาบาบัดทุกข์บารงสุขด้วยการมากำจัดการกระทาที่สร้างความทุกข์แล้วก็สร้างการกระทําที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาที่ใจตัวเดียวนี่เองใจตัวนี้แหละที่เราจะต้องมาบําบัดทุกข์บํารุงสุขด้วยการกระทําของใจเองไม่ต้องอาศัยลาบยศสารเสริญสุขไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่ต้องอาศัยแม้แต่ร่างกายของเรานี้ก็อาศัยไม่ได้พึ่งไม่ได้เดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าหลังสอกหลังจากที่บำเพ็ญและปฏิบัติมาจนได้บรรลุถึงคำทำขั้นสูงสุดแล้วก็ทรงสรุปข้อการปฏิบัติไว้อยู่สามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกทรง ให้เราังนับการกระทำที่ทำให้เกิดทุกข์แก่ใจของเราการกระทำอะไรที่จะทำให้ใจเราทุกข์กันก็คือการกระทำบาปเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาเราทำบาปสังเกต ด, ดูที่ใจดูว่าใจสบายหรือใจไม่สบายเน <Yeah. S 1> เวลาฆ่าสัตว์นี้ใจสบายหรือเปล่าถึงแม้วางทีไม่มีเจตนายังไม่สบายใจขับรถไปสุนัขวิ่งตัดหน้าชนมันตายใจก็ไม่สบายแล้ว เพราะเรารู้ว่าเขารักชีวิตของเขาเหมือนเรารักชีวิตของเราเราไม่อยากให้เราเสียชีวิตฉันใดเขาก็ไม่อยากจะเสียชีวิตฉันนั้นพอเราไปเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องเสียชีวิตขึ้นมาเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นนมีม่ขณะที่ไม่ได้ตั้งใจทำถ้าทั้งตั้งใจทำนั้นมันยิ่งหนักขึ้นไป เวลาเราตั้งใจทำนี่มันจะทำให้ใจเราทุกข์มากการกระทำนี้จะถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมจริงๆงต้องเกิดจากความตั้งใจด้วยถ้าไม่มีความตั้งใจนี้ไม่ถือว่าบาปถือว่าเป็นอุบัติเหตุอุบัติภยัยเหมือนกับเดินไปใต้ในสวนตูกลูกมะพร้าวหล่นทับศีรษะตายนี้อันนี้เป็นอุบัติเหตุ ไม่มีใครผิดมะพร้าวก็ไม่ผิดขับรถไปมาแรงวิ่งชนหน้ากระจกตายกันเยอะแยะตลอดกลาค่ำคืนอันนี้ก็ไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจจะไปฆ่าเขาเป็นอุบัติเหตุของเขาที่เขาไปชอบแสงไฟแสงสว่างมาแรงมันชอบแสงไฟพอเห็นแสงสว่างแสงไฟมันก็บินเขาา้ามา มันก็ไม่รู้ว่าเป็นแสงของรถยนต์ที่มีความเร็วสูงพอไปหาแสงไฟก็ถูกรถชนตายาไปอย่างนี้ไม่ถือว่าบาปถ้าไม่มีเจตนาแต่ถ้ามีเจตนาแล้วทําไปนี้ทําไปแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็มีความทุกข์ใจด้วยจากความกลัวเวลาตั้งใจทําร้ายผู้อื่นแล้วฆ่าผู้อื่นแล้ว ก็จะต้องมีความกลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษหรือถูกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เขาแค้นเคียดแค้นมาล้านแค้นมาจองเวรจองกรรมถ้าทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งในในีลห้านีถือว่าทำแล้วจะไม่สบายใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ของผู้อื่นประพฤติผิดประเพณีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่น โกหกหลอกลวงเพื่อที่จะหวังเอาประโยชน์จากผู้อื่นสี่ข้อนี้เรียกว่าบาปส่วนข้อที่ห้านี้การดื่มสุรายาเมาท่านเรียกว่าอบายามุขอบายามุข ค, คือการกระทําที่ทําให้สนับสนุนในการทําบาปนั่นเองเวลาดื่มสุราแล้วจะไม่มีสติคอยควบคุมบังคับความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง รู้สึกนึกคิดอะไรก็มักจะพูดไปทำไปส่วนใหญ่ก็จะไปรู้สึกนึกคิดในเรื่องที่ไม่ดีอยากจะด่าใครก็ดา่าไม่พอใจใครก็ทุบทำร้ายทุบตีเขาเพราะไม่มีสติยับยัง้งพูดจาก็หยาบคายพูดจาก็ไม่มีสาระเพราะไม่มีสติคอยควบคุมเหมือนกับเวลาที่ไม่ได้ดืม่ม คนเดิมคนคนเดียวกันเนี่เวลาเดิมสซรากับไม่ได้เดิมสซรานี่เหมือนกลายเป็นคนละคนไปเวลาไม่เดิมนี้เรียบร้อยน่ารักพอเดิข้าไปแล้วกลายเป็นคนน่าเกลียดไปเพราะกิริยาวาจาไม่สวยงามไม่มีสติไว้คอยควบคุมท่านเลยต้องรวมาบายามุกนี้ไว้ในศีลห้า เพราะว่าถ้าไม่ดื่มสุรามันก็ยากที่จะไปทำบาปเพราะมีสติจะรู้ผิดถูกดีชั่วจะมีจิตสํานึกมีฮิริโอ ต, ตปะพอคิดจะทำบาปก็ไม่ทำดีกว่าพอคิดถึงผลที่จะตามมาจากการทำบาป<ม>การทำบาปนอกจากการทำให้ใจทุกข์แล้วยังมีโทษที่อาจจะตามมาที่ร่างกายด้วย น่างกายก็อาจจะถูกจับไปลงโทษหรืออาจจะถูกผู้ที่เขาเดือดร้อนเสียหายมาทำร้ายได้ยันถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์จากการกระทำเหล่านี้ก็อย่าทำบาปถ้าไม่ทำบาปแล้วทุกข์มันก็จะไม่ตามมาไม่มีเกิดคนที่ไม่ทำผิดศีนี่จะมีความสบายใจ บาปคนที่ไม่ไม่ไม่รักษาศีลคนที่ทําผิดศีลนี้ใจจะไม่สบายใจจะหวาดระแวงเป็นเหมือนวัวสันหลังหวะมีแผลคนที่ไม่ได้ทํำบาปนี้เป็นเหมือนไม่มีแผลคนที่ทําผิดนี้เวลาเจอใครก็บางทีก็คิดเปใ็นใจก่อนเอเเ๊เขารู้ว่าเราทําผิดหรือเปล่าเขารู้ว่าเราโกหกเขารู้เปล่าเขารู้ว่าเราเอาทรัพย์ของเขาไปหรือเปล่า เขารู้ว่าเราไปยุ่งกับแฟนเขารู้เปล่านี่อันนี้มันก็จะมีความรู้สึกไม่ไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปแล้วความไม่สบายใจจากการกระทําเหล่านี้จะไม่เกิดอันนี้เป็นวิธีป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดวิธีแรกคืออย่าทำบาปไปแล้วขั้นที่สอง ถ้าเราอยากมีความสุขก็ให้ใช้วิธีทําบุญทํากุศลเป็นวิธีให้ความสุขกับเราเพราะเป็นวิธีที่จะให้ความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขแบบอิ่มแบบอิ่มน้ำสารานใจไม่เหมือนกับความสุขที่เราหาด้วยการหาจากสิ่งต่างๆด้วยการไปซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยต่างๆ ด้วยการไปดื่มไปรับประทานไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูไปฟังไปชมอะไรต่างๆความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขแบบร้อนความสุขแบบทําให้หิวเพราะว่าเมื่อได้ไปทําแล้วมันก็อยากจะไปทาอีกทำวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่ง น, นี้อยู่เฉยๆไม่ได้เคยไปเที่ยวก็อยากจะออกไปเที่ยวต่อ ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้นมามในทางตรงกันข้ามถ้าเรา่เอาเงินเอาทองที่เราไปใช้กับการไปเที่ยวเอาไปทําบุญทําทานเอาไปทําให้คนอื่นเขามีความสุขช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้นในเวลาเราเห็นเขาได้รับความสุขจากการเสียสละของเรามันทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอีกแบบนึ่ง ที่เป็นความสุขที่ไม่หิวไม่ร้อนไม่ไม่ไม่อยากทำให้มีความสุขความอิ่มทำให้อยู่บ้านเฉยๆได้ทำบุญวันนี้แล้วพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนถ้าเที่ยววันนี้แล้วพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวจะรู้สึกเดือดร้อนนั้นพระพุทธเจ้าส่งสอนว่าให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน แทนที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้มาหาความสุขจากการทำทานจากการช่วยเหลือให้ความสุขแก่ผู้อื่นเพราะกดแห่งกรรมนี้มันแสดงไว้ว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นย่อมกลับมาหาตนให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาตนทําบาปนี้ให้ทุกข์แก่ผู้อื่น พอให้ทุกข์แกบผู้อื่นแล้วความทุกข์นั้นมันก็เด้งกลับมาหาที่ใจเราให้ความสุขกับผู้อื่นความสุขที่เราให้เขาไปมันก็เด้นกลับมาหาที่ใจเราทันทีลองเปรียบเทียบดูเงินก้อนเดียวกันเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ต้องมีกับเอาไปทำบุญทำทานความรู้สึกมันจะต่างกันความรู้สึกความสุขที่ได้มันไม่เหมือนกัน เป็นความสุขที่อิ่มกับความสุขที่หิวนี่คือการที่จะทำให้เรามีความสุขถ้าเรายังต้องหาความสุขจากการใช้เงินทองอยู่จากการทำอะไรอยู่ <c oughs> ก็ให้หาความสุขจากการทำความดีทำบุญทำทาน <c oughs> ถ้าเราไม่มีเงินทองจะให้เราก็ให้อย่างอื่นได้ <c oughs> เราให้เวลาของเรา ให้กำลังกายของเราเช่นไปช่วยงานอาสาสมัครต่างๆก็ได้ที่ไหนขาดแคลนคนที่ต้องการช่วยเหลือคนให้คนมาช่วยทำงานโดยที่ไม่เรียกค่าตอบแทนเรียกว่าพวกจิตอาสาทั้งหลายมาทำประโยชน์ให้กับสังคมช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น mm hmm. การเสียสละแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีหาความสุขได้ mm hmm. หรือการที่เรามีความรู้อะไรที่เราจะสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ mm hmm. เช่นมีความรู้จากวิธีทำกับข้าวคนอยากจะรู้วิธีทำกับข้าวมาเรียน mm hmm. ก็สอนให้ฟรีพอเขาทำกับข้าวเป็นเขาก็จะได้ไปเปิดร้านอาหารได้ทา เป็นแม่ครัวเป็นพ่อครัวได้มีอาชีพเลี้ยงชีพได้หรือเย็บปักถักร้อยหรือทำเเผาทำผมตัดเย็บเสื้อผ้าความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่นี่ถ้าเราให้ผู้อื่นโดยที่เราไม่เรียกค่าตอบแทนก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจเราเป็นการทำบุญทำทานทําแล้วเราจะมีความสุขใจที่เห็นว่าเขาเพึ่งตัวเขาเองได้เขามีอาชีพ เขามีรายได้จากการที่เราให้ความรู้กับเขามันก็จะทำให้เรามีความสุขใจเัง <Yeah. S 1> ั้นการสร้างความสุขใจเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลนี้ทำได้หลายวิธีด้วยกัน <Yeah. S 1> ท, ทางกายทางวาจา <Yeah. S 1> หรือทากกำลังทรัพย์ทั้งมีทรัพย์เราไม่มีเวลาแต่เรามีทรัพย์เราก็แบ่งปันทรัพย์ของเรา ให้ทําให้เกิดประโยชน์แก่ผู้จะทําให้กับใครก็ได้ทําให้กับวัดก็ได้ทําให้กับโรงพยาบาลก็ได้ทําให้กับโรงเรียนก็ได้นทําให้กับพ่อแม่ก็ได้ปู่ย่าตายายก็ได้<ม><น>ใครที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนอันนั้นอนะ่ะเขาต้องการความช่วยเหลือแต่ถ้าเขาพอเพียงแล้วก็ไม่ต้องกัวงวลก็ได้ <loft. S 2> ไปทํากับผู้ที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อน พราะทำกับผู้ที่ไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนเขาก็ไม่มีความรู้สึกแตกต่างอะไรอันนี้เป็นการสร้างความสุขทางใจที่เกิดจากการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจเรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆอันนี้เป็นการกระทาที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัตยทรงเห็นว่าถ้าเรายังต้อง ใช้การกระทําทางกายทางวาจาทางใจให้เกิดความสุขก็ให้ใช้แบบในทางที่ถูกคือด้วยการแบ่งปันประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากรูปเสียงกลิก่นลดปวพะจากมหรคศพบันเทิงอะไรต่างๆการหาความสุขแบบนี้เป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติด พอเสพแล้วมันก็ติดแล้วเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์คนที่ติดเที่ยวเวลาไม่ได้เที่ยวก็จะทุกข์คนที่ติดช้อปปิ้งเวลาไม่ได้ช้อปก็จะทุกข์คนที่ติดภาพยนตร์ติดละครก็เวลาไม่ได้ดูภาพยนตร์ละครก็จะทุกข์คนที่ติดขนมนมเนยก็จะทุกข์เวลาที uh ่ไม่ได้เสพนี่ เป็นญาเสพติดการหาความสุขจากรูปเสียงเกิดลดผลพภะนี้แทนที่จะให้ความสุขกับกลายเป็นให้ความทุกขเวลาที่ไม่สามารถที่จะเสพได้แต่การได้ความสุขจากการทําบุญทํากุศลต่างๆนี้เป็นเหมือนการรับประทานอาหารรับแล้วก็จะอิ่มจะสุขจะสบายจะไม่หิวกับอะไรน ถ้าอยากจะให้ความสุขกับใจไม่ให้เกิดความทุกข์ก็อยา่าก็ต้องเอาไปทำบุญทาทานอย่าไปใช้เงินไปหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นไก่แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องยาวถ้าเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกมินก้นไกยเพราะเราจะต้องใช้เงินใช้ทองกันเงินต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ต้องคอยหาเงินหาทองกัน ถ้าหาเงินหาทองถ้าเราอยากบางทีร้อนเงินอยากจะได้เร็วๆได้ง่ายๆบางทีเราอาจจะต้องไปทำบาปขึ้นมาก็ได้อาจจะมีใครเข้ามามาล่อใจเร า, าอยากได้เงินเร็วๆไหมง่ายๆไหมทำแบบนี้สิโกงภาษีบ้างใช้ขายของปลอมขายของเทียมบ้างอะไรตํางๆเราเป็นการหลอกลวงกันไปเลยทำให้เราต้องไปทำบาปโดยไม่รู้สึกตัว แล้วทําไปแล้วเดี๋ยวก็มีทุกข์ตามมาไม่ช้าก็เร็วนะก็อาจจะถูกเขาจับไปติดทุกติดตารางได้นะนี่แหละมันมีถ้าลองใช้เงินเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วมันจะเป็นมันจะมีเรื่องตามมายาวเพราะมาใช้เงินไปหมดมันก็ต้องหาถ้าไม่พอใช้มันก็ต้องหาวิธีมาเสริมวิธีเสริมที่ง่ายๆก็คือต้องวิธีทําบาวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งเราคงจะได้ยินข่าวาวทางหน้าหนังสือพิมพ์มาตลอดเวลาคนที่ถูกจับนี้ส่วนใหญ่ก็เพราะว่าต้องการหาเงินพิเศษกันบางคนก็มีอาชีพอยู่แล้วแต่อาชีพของตนนี่นไม่พอใช้บางคนเป็นครูเป็นครูใหญ่ยังไม่พอใช้ใช้เงินเกินตัวพอไม่พอใช้ก็ต้องไปปล้นที่ร้านทองแล้วถ้าเกิดการต่อสู้กันขึ้นมาก็ต้องมีการยิงเงินตาย แล้วพอถูกตารวจจับเทนี้ดีไม่ดีก็ อ, อาจจะถูกโทษประหารชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่าใช้เงินผิดวิธีใช้เงินไม่เป็นแทนที่จะใช้เงินให้เกิดสุขให้เกิดความอิ่มแก่ใจกลับไปใช้เงินที่จะทำให้เกิดความหิวกก่ใจเกิดความอยากกับใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ใชมมีเงินระดับนี้ก็ใช้ซื้อของระดับนี้ พอมีอีกระดับหนึ่งมันก็ไปซื้อของอีกระดับหนึ่งมันก็ของอันเดียวกันเสื้อผ้าอย่างเดียวกันแต่มันมีหลายระดับนลระดับถูกระดับกลางระดับสูงระดับไฮโซโลโซนี่ราคาไม่เหมือนกันแต่เสื้อผ้ามันก็เป็นแค่เสื้อผ้าเป็นเครื่องนุงหมเหมือนกันแต่เมื่อมีเงนินมันก็อดไม่ได้ที่อยากจะซื้อของหรูหราขึ้นของแพงขึ้น เห็นต่อให้หาเงินมาได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็จะไม่พอใช้อยู่เรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ระวังเดี๋ยวมันก็ต้องไปทําบาปจนได้แต่ถ้าเอาเงินมาทําบุญนี่รับประกรันได้ว่าจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปหาเงินมาทําบุญกันนะไม่ต้องไปทําบาพเพื่อมาหาเงินมาทําบุญยกเว้นคนที่ไม่เข้าใจหลักของการทําบุญบางคนนี่ติดบุญก็มีอยากจะทําบุญ อยากจะทำบุญบางทีก็ไปหลอกลองพื่นเพื่อนฝูงให้มามาทำบุญในทำเองนี้อันนี้ก็ไม่ควรถึงแม่ไม่หลอกลวงไปจี้เขาไปรบกวนเขาก็ไม่ดีแล้วบุญตัวเองก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นเงินของตัวเองถ้าอยากจะได้บุญมันต้องเป็นเงินของตนเองไม่ใช่ไปเรียรายคนนั้นคนนี้มาเพื่อมาทำบุญแล้วตัวเองคิดว่าได้บุญไม่ได้บุญตัวกลับได้ความหิวหิวบุญไม่ได้กินบุญก็ไม่ได้ทาบุญ โมแต่ไปเรื่อยะไรบุญไปแต่ไปเรื่อยะไรของเงินคนนี้มาทำบุญแล้วพอเห็นยอดก็โอ้ยดีใจได้ทำบุญเยอะแต่ตัวเองไม่ได้ฟักกระเป๋าแม่สต่าบาทเดียว <c oughs> ความอิ่มใจก็ไม่เกิดกับก็เกิดความหิวใจขึ้นมาได้ <c oughs> นี่คือขั้นตอนขั้นที่สองที่เราจะใช้กายวาใาใจของเรา ให้ทําให้ใจของเรามีความสุขคือให้เราทำบุญทำทานกันด้วยข้าวของเงินทอง <c oughs> ก็ได้ด้วยวิชาความรู้ที่เรามีก็ได้หรือด้วยเวลาที่เราว่างก็ได้ไปไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยทำงานให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆบางคนก็ชอบไปช่วยปอแต็กตึ้ง ช่วยเป็นหน่วยกู้ภัยเวลามีภัยเกิดขึ้นก็ต้องมีการช่วยเหลือคนที่เขาบาดเจ็บคนที่เขาเดือดร้อนกันตรงนี้ก็ทำด้วยใจบริสุทธิ์คือไม่ได้หวังค่าตอบแทนทำแล้วมันทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาดังนั้นการที่จะทำบุญที่จะทำให้เราเกิดความสุขใจนี่บางทีเราต้องเลือกตามตามเรื่องที่เราชอบ ถ้าให้ไปทําในเรื่องที่เราไม่ชอบบางทีมันไม่เกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาบางทีบางทีบางคนชอบทํากับวัดก็ไปทําที่วัดบางคนชอบทํากับสุนัขเนี่ยทำกับสัตว์ก็ไปไปทําไปเลี้งดูสัตว์ไปช่วยเหลือสัตว์ที่เดือดร้อนพอเห็นเขาได้รับการบรรเทาทุกข์จากการกระทําของเรามันก็ทําให้เรามีความสุขอย่างนีง้นเวลาทําบุญนี้ ต้องดูที่ใจเป็นหลัก <c oughs> ว่าดูแล้วใจเรามีความสุขหรือไม่ <c oughs> ถ้าทำแล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขทำเพราะเราฝืนทําทำเพราะบางทีเราถูกเขาบังคับให้ทำํำ <c oughs> ถูกเขาชวนเราก็ไม่อยากจะเสียหน้า <c oughs> เขาชวนให้ไปก็ต้องไปกับเขา <c oughs> ทั้งที่บางทีเราก็ไม่มีศรัทธา <c oughs> ไม่ชอบทําบุญแบบนี้ถ้า <c oughs> อย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่ <c oughs> ก็ยังได้อยู่แต่ได้ไม่เต็มร้อย แต่ถ้าเราเลือกทำในบุญที่เราชอบทำเนี่ยบางคนชอบปล่อยนาะปล่อยปลาเนี่ยเวลาป ล, ปล่อยไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้มีความสุขที่เห็นปลาที่มันจะต้องถูกเขาจับไปฆ่าไปแกงนี้ได้มีอิสรภาพได้มีอยู่ต่อไปไปถ่ายชีวิตวัวควายที่จะถูกจับเข้าโรงฆ่าสัตว์ <c oughs> แล้วแต่อยากจะทำอะไรก็ได้ ที่ไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขพอเราเห็นเขามีความสุขจากการกระทำของเราเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอันนี้วิธีการสร้างความสุขและบำบัดทุกข์ที่เกิดจากการใช้เงินไปในทางที่ผิดเราก็จะได้ไม่ต้องไปคลิ่นนนคอยหาเงินมาตอบสนองความอยากของเราอยู่เรื่อย ถ้าเราใช้เงินตามความอยากมันใช้เท่าไหร่ไม่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้าเราใช้เงินกับการทำบุญ น, นี้ไม่ได้ใช้กับความอยากใช้ด้วยความเมตตาใช้ด้วยความสงสารที่เห็นผู้คนเขาทุกข์ยากลำบากแล้วเราสุขสบายเราก็อยากจะให้เขาสุขสบายเหมือนเราบ้าง น, นี่คือขั้นที่สองของการที่เราจะมาบำบัดทุกข์บำบุงสุขให้แก่จิตใจ ด้วยการกระทำทางกายวาจาใจของพวกเราขั้นที่สมนี้เป็นการบำบัดทุกข์และบำรงสุขแบบถาวรแบบเต็มร้อย mm hmm. คือการมาควบคุมกายวาจาใจของเราให้อยู่ในความสงบให้ละนับจากความอยากต่างๆคือละนับจากกิเลสตัณหากิเลสตัณหาเนี่แหละเป็นตัวที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจเรา <c oughs> เวลาเกิดกิเลสขึ้นมาทีไรนี้ใจเราจะไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้พอ เ, เกิดความอยากขึ้นมานี้ใจดิ้นขึ้นมาทันทีแล้วต้องดิ้นไปทําตามความอยากให้ได้ถ้าไม่ได้ก็จะเครียดจะหงุดหงิดจะลำคานใจจะโมะโหง่ายจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย <c oughs> ถ้าเราอยากจะให้เรามีความสุขและไม่มีความทุกข์ เราต้องมากำจัด ก, กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราให้มันหายไปจากใจให้ได้แล้วก็มีวิธีวิธีที่พระพุทธเจ้าได้สรงบำเพ็ญมาสรงคนพบเรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้เป็นการมาชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชาระกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่เป็นเหมือนกับคราบสกรปรกในเสื้อผ้า เวลาเราสวมใส่เสื้อผ้านี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีคราบสกรปรกติดติดมากับเสื้อผ้าแล้วก็อาจจะมีส่งกลิ่นเหม็นเราก็ถึงต้องเอาเสื้อผ้าไปซักกันเวลาเราซักเสื้อผ้าเสร็จคราบสกรปรกต่างๆมันก็หลุดออกจากเสื้อผ้าไปหมดก็เหลือแต่เสื้อผ้าที่สะอาดบริสุทธิ์ทำให้เราอยากจะสวมใส่ไม่เหมือนกับผ้าที่สกรปรกที่ส่งกลิ่นเหม็น ที่เราเห็นแล้วก็ไม่อยากจะแตะ <c oughs> จิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้านี้ <c oughs> ถ้าจิตใจของเราสกโปรกด้วยกิเลสตัณหาเราก็จะมีความเศร้าหมองคอยควบคุมใจเรื่อยใจเราจะรู้สึกไม่มีความสดใสเบิกบาน <c oughs> ไม่มีความรู้สึกสุขสบายถ้า <c oughs> สุขสบายก็แบบเดียว <c oughs> ๆแต่เป็นเหมือนกับมันมีอะไรมาคอยคุมใจเราอยู่ตลอดเวลา คือความเศร้าหมองของใจที่เกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา <c oughs> ที่เราต้องใช้การภาวนามาเป็นการชาระ <c oughs> การชาระนี้ก็เป็นเหมือนกับการซักผ้า <c oughs> <c oughs> การซักผ้าถ้าเราซักผ้าแบบธรรมดาคือใช้น้ำเปล่าๆนี้มันก็ชาระได้บางส่วนไม่หมดแต่ถ้าเราใช้ผงซักฟอก ที่มากัดสิ่งที่มันติดอยู่จากในเสื้อผ้าที่น้ำไม่สามารถาทำให้มันหลุดได้พอใช้ผงซับฟอกมันก็จะทำให้ <c oughs> สิ่งที่ติดอยู่กับเสื้อผ้านี้หลุดออกมาหมดการภาวนาก็มีสองระดับระดับแบบทำให้กิเลสตัณหานี้าหายไปชั่วคราวเรียกว่าวิธีของสมาธิ หรือที่เรียกภาษาภาวนาว่าสมถาภาวนาส่วนวิธีที่สองนี้เป็นวิธีที่ยากําจัดกิเลสตัณหากิเลสเครื่องเศร้าหมองให้ออกไปจากใจยอย่างถาวรวิธีนี้เราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเลือนวิธีของปัญญานี่คือขั้นของการปฏิบัติธรรมที่ผู้ที่ต้องการที่จะ บำบัดทุกขบำรงสุขแบบถาวร <Yeah. S 1> จะต้องมาภาวนากันถ้าใช้วิธีการละการกระทำบาปและการสร้างบุญสร้างกุศลตั้งหลายให้ถึงพร้อมก็ยังจะไม่สามารถบำบัดทุกข์บำรงสุขได้อย่างถาวร <Yeah. S 1> แต่ก็ดีกว่าการใช้เงินทองหรือใช้การกระทาบาป <Yeah. S 1> เพื่อ <Yeah. S 1> บำบัดทุกข์บำรงสุข แต่ถ้าอยากจะให้การความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจหายไปหมดแล้วให้ในใจมีแต่ความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงนี่อันนี้ต้องใช้การภาวนาเบื้องต้นก็ต้องใช้การทำใจให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาเพื่อทำให้ใจเข้าไปในสมาธิให้ใจตั้งมั่นอยู่ในคำสงบ คำว่าสมาธิคือแปลว่าความตั้งมั่นของใจในความสงบใจของพวกเราตอนนี้ไม่ได้อยู่ในความสงบกันใจของพวกเราอยู่กับความคิดปรุงแต่งต่างๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดมาตั้งแต่เช้าแล้วคิดจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่เคยหยุดคิดเลยแล้วความสุขที่จะไดจากการหยุดคิดก็ไม่เคยปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นงนั้นเบื้องต้นนี้เราต้องมาหัดหยุดคิดกันให้ได้ก่อน พอเราหยุดคิดแล้วเราจะได้เห็นว่าโอ้เวลาใจไม่คิดนี่สบายกว่าคิดเยอะๆเวลาคิดแล้วมันหนัก อ, อกหนักใจไปหมดหนัก อ, อกหนักใจกับเรื่องนั่นเรื่องนี้กับคนนั่นคนนี้แต่พอเรามานั่งสมาธิควบคุมใจให้หยุดคิดได้ด้วยการสวดมนต์ก่อนก็ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ด้วยการจดจ่อดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราสามารถทำให้ใจหยุดคิดได้นี่เราจะไปเจอกับความสงบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเจอความสุขที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกนัตติสันติปรังสุขขันงสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีอันนี้เป็นขั้นแรกของการที่จะ แนะนำโดยเราให้เรารู้จักความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ใจของเรานี่เองอยู่ที่การหยุดความคิดของเราให้ได้<ม>งั้นถ้าเราอยากจะหยุดความคิดนี้เราต้องมาฝึกพุทโธกันฝึกสวดมนต์กันหรือฝึกคอยจดจอ่อใจของเราให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวถ้าเรายังมีการเคลื่อนไหวมีการกระทําอะไรอยู่ ก็ให้เราจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหว ก, กับการกระทานั้นเพียงอย่างเดียวอย่าไปให้ใจไปคิดเรื่องอื่นพร้อมๆกันซึ่งเรามักจะทาอย่างนั้นกันเราทําอะไรไปตอนนี้ร่างกายทําอย่างหนึ่งแต่ใจเราไปอีกที่หนึ่งแล้ว <c oughs> ใจเราไปคิดถึงเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วตอนนี้กำลังรับประทานอาหารป <c oughs> ากเคี้ยวไปแต่ใจไปคิดถึงของว่างแล้วมันคิดถึงขนมของหวานที่จะตามมาแล้ว ไปนู่นแล้วไปข้างหน้าแล้วไม่อยู่กับเรื่องเดียวมันก็คิดไปเรื่อยๆต้องพยายามมาให้มันบังคับให้มันอยู่กับเรื่องเดียวให้มันรู้เฉยๆให้มันดูเฉยๆอย่าให้มันคิดคิดแล้วมันจะทําให้ใจเราไม่สงบไม่นิ่งแล้วไม่มีความสุค น, นี้คือขั้นตอนแรกของการสร้างความสุขคือพยายามหยุดใจหยุดคิดให้ได้ แล้วใจของเราก็จะมีความสุขเวลามันสงบเราพยายามทำบ่อยๆทำให้มันชำนานสามารถที่จะคอยหยุดมันได้ทุกครั้งทุกเวลาพอมันจะคิดอะไรเราก็สั่งให้มันหยุดได้แต่มันก็ยังคิดอยู่นั่นวิธีที่จะทำให้มันไม่คิดไปในทางที่จะทำให้เราสูญเสียความสุขที่เราได้จากความสงบ ความสงบที่เราได้นี้ถ้าเราไปคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทาให้เกิดความอยากแล้วความสงบนั้นจะหายไปความทุกข์ความร้อนใจจะกลับขึ้นมาแทนที่แต่ถ้าเราสามารถสอนให้ใจอย่าไปคิดในเรื่องที่จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาได้ความสงบที่ได้จากสมาธิก็ยังจะไม่หายไปจะอยู่ต่อไปได้ดงนั้นเราต้องมาสอนใจให้เห็นวิธีที่จะทาให้เรา ไม่คิดไปกับความอยากคือเราต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์กันไม่ว่าเราอยากจะได้อะไรนี้เรามักจะคิดว่ามันเป็นสุขกันโอ้ได้เงินมาแล้วจะมีความสุขกันได้ตำแหน่งแล้วจะมีความสุขกันได้แฟนแล้วจะมีความสุขกันแต่เราไม่ไปดูคนที่เขามีแฟนแล้วถามเพราะว่าได้สุขอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมีอะไรตามมาด้วยหรือเปล่า เขาก็ต้ออวมันก็ต้องมีความทุกข์ตามมาด้วย mm hmm. เธอเนะ่ยดีไม่มีแฟนนู่นแบบฉันมีแฟนแล้วฉันต้องมาทุกข์กับแฟนเนี mm ่ย hmm. เพราะว่าทุกข์มันมีหลายรูปแบบทุกข์เพราะหวงก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ mm ่ง hmm. ทุกข์เพราะหวงก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์เพราะทะเละกันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึง่งแต่ hmm. ถ้าไม่มีแฟนเรื่องราวเหล่านี้ mm hmm. ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรา mm hmm. ให้คิดอย่างนี้ว่า การมีอะไรนวไม่ช้าก็เร็วจะต้องไปเจอความทุกข์พอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงความสุขที่ได้ใหม่ๆมันกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะมันเปลี่ยนสิ่งที่ทำให้เราสุขมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนเดิมของใหม่มันให้เราความสุขพอใช้ไปสักพักมันเริ่มเสียแล้วรถซื้อมาใหม่ๆนี่ขับมันไปไหนมาไหนไปได้ทุกเวลา แต่ใช้ไปเข้านานๆเข้าเดี๋ยวสตาร์ทไม่ติดแล้วเดี๋ยวยางแตกแล้วเดี๋ยวไอ้นู่นเสียไอ้นี่เสียแล้วนี่แหละคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่มันไม่ใหม่มันไม่ดีไปตลอดเวลานี่เรียกว่าปัญญาคือให้เห็นว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเสื่อมแล้วความสุขที่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนไปตามกับการเปลี่ยนของสิ่งที่เราได้มา แล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้เรียกว่าอนัตตาไปสั่งมันไม่ได้ว่าให้มันดีไปตลอดนสั่งแฟนให้ดีไปตลอดให้เหมือนตอนที่คบกันใหม่ๆไม่ได้เวลาคบกันใหม่ๆยังไม่เป็นแฟนกันนี่โอ้ยชี้ฟ้าเป็นฟ้าชี้น้ำเป็นน้ำแต่พอเป็นแฟนแล้วชี้อะไรก็ไม่เป็นซะแล้วเขาไม่สนใจซะแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วความสุขที่ได้จากเขาก็หายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี้คือปัญญาต้องมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราว่าเขาให้ความสุขกับเราได้ในเบื้องต้นแต่ต่อไปเขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนถ้าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเราเห็นว่าเราไม่สามารถไปสั่งไปห้ามเขาได้เราก็ไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับเขานั่นเองนี่คือปัญญาต่อไปเราก็จะตัดความอยาก ทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแล้วพอเราตัดความอยากหมดไปได้ทีนี้อะไรเกิดขึ้นที่ใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่า ง, างๆก็หายไปหมดนี่นี่ก็จะเป็นความสุขแบบถาวรนะสิตลอดยี่บสี่ชั่วโมงที่พระพุทธเจ้าบอกนิบานังปรมังสุขขังเนี่ยความสุขของพระนิพพานคือความสุขของจิตที่บริสุทธ ปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นเองเหมือนเสื้อผ้าที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยพอซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วแหมมันน่าใส่ยพอจิตของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วแหมมันจะให้แต่ความสุขไปตลอดมีเศรษฐีคนอย่างมาบวชเป็นพระแล้วปฏิบัติจนบรรลุธรรมได้นิพพานได้พบกับปรมังสุขขังแล้วนี่แกเวลาเดินไปไหนมาไหนก็พึมพำไปในใจสุขเนาะสุขเนอสุขหนอาะ ร้านเนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็คิดว่าแกไม่มีสติไม่มีความสํารวนก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาถามว่าทำไมเธอไม่มีสติแล้วไงเธอเดินพลนบนพึมพันพุ่นพันว่าสุขหนอสุขนาแต่ก็ตอบว่าผมมีสติแต่ผมอดไม่ได้ที่จะพึมพันเพราะความสุขที่มันอยู่ในใจนี้มันล้นมันล้นออกมาจากใจ สมัยที่ผมเป็นมหาเศรษฐีผมไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลยแต่พอผมมาอยู่แบบขอทานแล้วมาทําใจให้สงบมาตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ใจของผมนี่มันมีความสุขยิ่งกว่ามหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านผมเลยอดไม่ได้ที่จะพึมพันพึมพันไปภายในใจนพอพระธเจ้าได้รับคําอธิบายพระธเจ้าบอกว่าเธอมีสติไม่มีปัญหาอะไรนี่แหละคือ การบำบัดทุกข์บำบัดสุขทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้านำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่พวกเรามาศึกษากันและขั้นต่อไปหลังจากศึกษากแล้วเราก็ต้องนําออกไปปฏิบัติกันแล้วรับรองได้ไม่เจ็ดวันเจเดือนก็เจ็ดปีทางที่พระพุทธเจ้าได้รับประกันเราก็จะได้สําเร็จเราก็จะได้รับความสุขที่ถาวร ได้การกำจัดความทุกข์ที่ถาวร อ, อย่างแน่ น, นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาเรวะหาปูราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกปายันโทปนาหราโสยธามณิจเตห์หราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัศสตุมาเตภวโตอันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ อพิวาทนสีลิตะนิจังวุธาปจายโนจตรมมารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาัาลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ชมทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก Facebook 428 YouTube 207วิทยุออนไลน์15 Zoom 8ผู้รับฟังหน้ากุฏิ115รวม773ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็ถามได้เลย คุณนุชนาตถ้ามีคนบอกบุญเรามาแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่อยากทําจะบาปไหมเพราะเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจค่ะก็ไม่บาปหรอกเพียงแต่ก็ไม่ได้ทําบุญเท่านั้นเองบางทีเขาเห็นว่าเราอาจจะไม่ว่างไปทําเองเขาก็เลยมาบอกบุญแล้วฝากเขาไปทําก็ได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเลยว่าเราไม่ชอบบุญแบบนี้เราก็ปฏิเสธไปได้ แล้วเราทำบุญแบบที่เราชอบที่เราเห็นว่าได้เกิดคุณเกิดประโยชน์จริงๆก็ได้คุณลมเปลี่ยนทิศถ้าหากกระผมบวชแล้วบวชไม่ถึงสองสมเดือนแต่อยากไปภาวนาปฏิบัติที่วัดป่าที่นอกหมู่บ้านแต่หากติดข้อสงสัยไหนสามารถถามคำถามกับพระอาจารย์ทางรายการถือว่าผิดไหมครับ เรไม่ผิดหรอกก็เนี่ยก็ทุกคนที่ส่งคําถามเข้ามาเป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งบางทีฟังธรรมแล้วมันไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องที่เราสงสัยเราก็ต้องเอาคําสิ่งที่เราสงสัยมาถามการถามแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่อย่างใดคุณอามซี่ผมติดทหารแต่พ่อก็ป่วยน้องก็เรียนแม่แยกทางกับพ่อ อยากขอคําแนะนำพระอาจารย์ช่วยสอนว่าผมจะทําอย่างไรไม่ให้คิดมากครับก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทำทำเรื่องต้นก็ดูแลตัวเราก่อนเรามีหน้าที่อะไรเราก็ต้องทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพึ่งตัวเราเองส่วนคนอื่นถ้าเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยไปถ้าช่วยไม่ได้มันก็ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ไป ไม่ใช่ก็เร็วทุกคนก็ต้องตายไปในที่สุดแต่เราไม่จำเป็นจะต้องทุกกับเหตุการณ์ทุกข์เพราะเราอยากจะทาเกินกาลังของเราอยากจะทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้เห็นทาในสิ่งที่เราทาได้ถ้ามันเหนือนกำลังก็ถือว่ามันสุดวิสัยเหมือนเห็นคนจะจมน้ำแต่เราว่ายน้ำไม่เป็นเราจะกระโดดลงไปช่วยเขาก็ไม่ได้ กระโดดลองไปช่วยเขาแล้วก็จมไปกับเขาไม่เกิดประโยชน์อะไรพระภิกษุหารค่อนข้างยาวนะคะสรุปได้ไหมเนี่ยลองสรุปดูแคข้างล่างนึ้เก็ถามอะไรดีกว่าไม่ต้องเล่าชีวประวัติอมบงคนค่ะเป็นสิ่งที่พระท่านเห็นตอนท่านปฏิบัติตนะค ะ, ะข้าไปก่อนอยังไงข้างนี้ค่ะ ค่ะอมันเป็นชีวประวัติเลยเนี่ยข้ามไปก่อนนอจะคุณแบงค์เราจะปล่อยวางทุกเรื่องควรทําอย่างไรบ้างครับไม่มีใครจะปรึกษาครับก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นภัยกับเราถ้าเห็นว่าเป็นงูพิษเราจะเก็บมันไว้จับมันหรือเปล่านี้เราความหนุงของเราไปเห็นว่ามันเป็นปลาไหลเลย มันก็เลยความมั่ความวามัพ่พอไปควาไปเจอความงูพิษเขาก็ถูกมันกัดถูมันกัดแต่ก็ไม่ยอมไปก็ยังคิดว่าเป็นปลาไหลอยู่นั่นเนี่ยถ้าแม้ทุกกับคนนั้นทุกกับสิ่งนั้นมันก็ยังคิดว่าเป็นความสุขอยู่มันก็เลยปล่อยไม่ได้เพราะกิเลสมันบังตาเรามันทําให้เราเห็นทุกข์เป็นสุขไปเหตุนเราต้องใช้ปัญญาของตัวเจ้าให้เห็นทุกข์เป็นทุกข์ ให้เห็นว่ามันทุกข์เพราะมันเป็นตายะเพราะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เจ้คุณโพจําเป็นไหมถ้าอยู่ป่าแล้วต้องปรมผมทุกวันด้วยการโกนไม่ต้องจะโกนทุกวันไปทําไมทำเนียมของพระท่านก็โกนเดือนละครั้งก็พอ คุณวัชราภร์ดิฉันไปฆ่าตัวทากที่เข้ามาเยอะมากในสนามหญ้าที่บ้านรู้สึกเป็นทุกข์มากนั่งสวดมนต์และแผ่เมตตาให้เขาเหล่านั้นแต่ใจยังรู้สึกผิดอยู่ค่ะก็เนี่ยมันแผ่เมตตาถ้าแผ่เมตตามันก็ต้องไม่ทําเลยคนที่เมตตาจะไปทำทำไมอย่างไปแผ่เมตตาทีหลังมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องแผ่ตอนที่เรากาจะทํา พอจะทำปุ๊บให้แผ่เมตตาให้มันหน่อยก็อย่าไปทำเอาเวลาโหนตุอย่าจองเวณนอันิคาโหนตุอย่าทำร้ายร่างกายและใจแผ่ผิดเวลาต้องแผ่ก่อนทำไม่ใช่ว่าแผ่หลังทำเหมือนคนที่ไปติดคุกเรามาบอกมาผมเสียใจเขาก็บอกช่วยไม่ได้มันเสียใจตอนนี้มันต้องเสียใจตอนก่อนทำสิมันจะได้ไม่ทำ จากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะเมื่อดูเมื่อดูลมแล้วลมหายอยู่กับความรู้สึกกับแสงที่เห็นแทนได้ไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ว่ามันลมหายจริงหรือเปล่ามันลมหายเพราะเราไม่ไปดูมันหรือว่าถ้าดูลมได้ควรจะยึดติดอยู่กับลมอย่าไปดูแสงเพราะแสงมันไม่เที่ยงแสงมันหลอกเราได้เห็นพยายามดูลมถ้าดูลมไม่ได้ลอง ใช้คำบริกรรมอยู่กับคำบริกรรมหรือถ้าจะดูก็ให้ดูเฉยๆสักแต่ว่ารู้อย่าไปอย่าไปตามรู้ mm hmm. ให้ให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไป mm hmm. เดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไป mm hmm. แต่ถ้ากลับมาดูลมได้ดูลมดีกว่าเพราะถ้าไปดูมันแล้วมันจะไม่สงบมันจะไปไม่ถึงไหน mm hmm. ต้องกลับมาดูลมต่อหรือกลับมาพูดโธต่อดีกว่า คุณพิมพรที่ผ่านมาหนูไม่มีความเพียรพอใจคิดจะไปถือศีลไปบวชพรามก็ไม่ได้ไปเธอพอใกล้ถึงวันแม่หนูคิดว่าจะอยู่บ้านว่างๆทำไมในเมื่อพระพุทธเจ้าให้เราสบายแล้วทำไมเราไม่ไปบวชไปถือศีลก็เลยมีสติขึ้นมาว่าต่อไปจะปฏิบัติบวชศีลถ้าคิดแบบนี้ถือว่าเป็นปัญญาไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าทำหรือไม่ทำ ถ้าคิดแล้วไม่ทำก็ยังไม่เป็นปัญญายังเป็นมายาอยู่ยังหลอกเราอยู่คิดดีวางแผนเถิดดีพอถึงเวลาก็ลืมไปเป็นสัญญาไปคุณนรงศักดิ์ยขยับกันนะตามสบายนะผลมาไล่แล้วต้งบอกถึงเวลากลับบ้านได้แล้วแต่กลับกันก็ได้นะไม่ไ ม, ไม่ไม่ตั้งใจ เพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะตกหนักกว่านี้ทางเราจะได้เก็บข้าวเก็บของได้ทันด้วย <c oughs> เดี๋ยวใครเชื่อโยงหนังสือเข้ามาที่ไหนไหนไหม อ, อยากโดนน้ำนี่นแหละธรรมชาติเป็นอย่างเนี้ถึงเวลาเรื่องอะไรธรรมชาติมันจะบอกเราเองเราไม่ต้องไปกำหนดเวลา ก็เลิกกันเลยก็เลิกกันนะวันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดอา